อ oh, you know, you know, you know ันนี yeah, the, uh, the ้อ่ในเรื่ององมมิจตวัตถุนะครับเรื่องที่พระเจ้ามองไม่ใช่ที่เกิดขึ้นในมณนั้นครับฉันบอกว่าถ้าเรอยู่นานนะเหมที่แรกเหมือนกันโอ้ทำได้นี่หน้าที่4137นะครับหน้า4137เรื่องทั้งหมดเรื่องคือเรื่องหมิ่นหมยนใช่ไหมหมินหมันที่แกไม่มีบุญนะครับแต่ตอกแกต้องการที่จะมีูกนะ ก็เลยไปบอกกับผู้สูดผูด้ใปญ่ครุ่ระกาเข้าถึงับปูปที่คุ้นเคยกันครับให้ใช้สมญาให้แกตั้งคันด้วยที่สุดแล้วก็ทอนยาให้แล้วก็มาให้แกครับนี้พแกกินปล้วเกิดตายในชะ่ไหมห้ามไม่ได้ตั้งใจ น, นะเพราะแกมีคันเคยนะแต่ยังนี้ถอดตานอยางนี้บบนก็เลยไมไ่เป็นแบบตาคนคะรับความยิงเขา บ, บอกว่านะได้ยินว่าในทางนี้ก็ดูยิงพวกตะพวกม่ตั้งคันนะครับ ถ้ามีแรงผู้ชายแล้วนะธรรมาก็จะมีทานแลแหลงนะครับแต่ว่าอสุจิขที่หมายนะมาประจวบเข้าแก่สัตว์นะครับผู้พวกสัตว์นะผู้เกิดในท้องของหญิงที่เรียกว่ามากเป็นหมาบางทีจะมีท้องนะเพียงแตว่าสัตว์ที่เกิดในท้องแก่มันวิบัากไปในภายหลังนะต้องบอกว่าทานเหล่านั้นคือปฏิสนธิมาด้วยอุศวิบัตกเพียงเล็กน้อย ตัวองค์สม <Yeah. S 1> ุทติปคอบนาจึงที่นหน้ไปจึงอยู่ในขนาดปฏิสนที่ใหม่ๆนั่นเองทันตั้งหรือไม่ได้ด้วยแา่สองอย่างนะครับคือด้วยลมอย่างหนึ่งนะลมครับลมทําให้ทังต่อไปนะครับหรือว่าสองนะครับหรือว่าสายเล็กๆเล็กๆที่อยู่ในท้องแม่นะนะไปกิงนะครับเพราะอนุฆ่าเพราะกรรมนั้นุ่าอนุสักรรมลมพัดทันให้แห้งนะ แล้วความแย่งการไานไปนำให้เมตถหมายตัดกิ่งคันนะความแย่งการทานไปอย่างนี้แต่เมื่อแพ่ประกอบเสกสาเพื่อกำจัลมและพวกสังเมนถหมายแล้วคนจะงได้ครับแต่พิจูนี้ไม่ได้ปรุงยาอย่างแนี้นะแต่ปรุงยาขนาดหึงที่มนล้าใหกว่าเราพอามีคนนี้กินก็การะเจ้าไม่กแตวลาเชิดนะเพราะท่านมีความประสงค์ไม่ให้ตายแต่แน่งทรงมเนอยกทุ่งเกาะไว พี่สุตรงในสายถูก้มทำยาให้ทำไมนะครับก็เลยเป็นงานหักทีกดไปานนี้เกี่ยวกับเรื่องทำยาหรือเร่องะไนะในกรุษปเลืสกันะครับให้ยาไอ้ถ้าพีพูดอย่างน้นะรว่าพี่สุไม่ควรทำยาแก่ชวงเราไปดูนะครับคนอื่นนะทำยาให้ไม่ได้แต่ครับควรทาให้แก่สาวอำนี้ทั้งห้าได้นะคือพิ่สุพิสุนี วารสุยไม่ใช่พิสูจนพิสุจนีสิกขาอานาสิกขาสัมมณีสัมมณนนี่เท่านีแหละเรื่องสาาธิสมามิแค่นี้เนี่ยเราสามารถทำยั้ได้เลยหน่อยให้ไปทำอะไรนะควรที่จะช่นเหลือกันก็ท่านบอกว่าจิตอยู่สมา้ิแค่หน้าเหล่านั้นเป็นผู้มีสีนะมีสติและก็ปัญญาเสมอกันทั้งประกอบในใจสิกขาด้วย ที mm. ่สุดไม่ทาเทสต์ให้ย่อมไม่ได้นะครับถ้าเกิดปวยขึ้นมาเนี่ยรู้สูญญาลุยยานี้วิธีรักษาดีๆนะครับต้องทำให้ได้ใช้ไม่ได้นะครับถ้าป็นได้เนี่ยถ้ามีที่สุดป่วยขึ้นมาะครับถ้าไม่ไปดูแลเนี้ยนะก็ใช้เป็นระมัดทุกคนไดคือถ้ามีอาจารย์อาจารย์ของ่านลุงเนี่ยต้องเป็นพานะเป็นดูแลนครับหรือว่าเป็นอาจารย์รุเสศิษ ลูกสิษย <c oughs> <ç> ์่แหละทีต้องมาดูแลทานนะหรือว่าคนนี้นะไม่มีลูกสิดไม่มีอาจารเป็นพระธรรมดาไม่รียไมนเหาใครไม่รวยเขาไม่ถือสายใครนะอ้นี่เป็นทระของไปรก็จะเป็นทระของผมก็เหมให้ขันกันไปดูแลทานวานะนั่นถ้าใช้ความ็อยู่เป็นความทุกข่อนนะอีนีเขาต้องเคาน์นักโทษนะแต่คือไม่คอยกันับถ้าบอกว่าถึงแม้ว่าของอเราไม่มีใช่ไหม เราก็้องหาเอาแล้วนาเด้วยการไปเที่ยวที่หาจานนะหรือไม่เราไปขอขออายาขอคนภาวนาก็น่าสไปขออายาเข้ามาหายาคนภาวนาเอาให้เพื่อเราหน่ย่ผูกของเราหรือถ้ามีกำบากเราก็ไม่น่าใช่ไหมพยาตรงนี้เราก็ไม่น่าอย่างเงีไปขออายาภาวนาพวกม่มีให้อย่างเงี้นี่จะทยังไงถ้าบอกว่าไม่ไปขอคนที่ไม่ใช่ยาไม่ไปภาวนาก็าเถ้าเราป่วยก็ ไม่ใช่วาเราเองแม้แม้เพื่อนเราป่วยเราเราขอยาเราควไม่ท่ยาไม่ใช่ตัวนา้มาใหารทำให้เพื่อนป่วนะรับไม่เป mm ็น hmm. อัหังนะอย่างเรายังใครได้ยินแต่ว่าถ้าเจอป่วยขอหน้าใครับพันถ้าเพื่อนป่วยมันขอน้าองนี้อันนี้เป็นัวแรกนครับห้าตัวแรกนะนี่ยังมีนะครับบมคคลที่ทำผู้อนควรทำยาให้แก่คนท่ทำผู้อ่อนแม้ป่วยนครับ ไ, นนะ 1, 000, 000, ไม่ไบอเป็นสี่นะคือหนึ่งมารดาครับแม่สองบิดาครับพ่อสามคนบงรุงมาดาบดาองเราเนี่ยนะอาจจะเป็นพี่หรือว่าน้องใครก็แล้วแต่นะที่มาบุกประหารบงรนะุน่ น, นะเรียนรู้พ่อแม่เราครับแล้วก็สี่สี่ไเอาไมใจกรนของผมครับไม่เอาไใจก่อส่วนตัวของเรานะ ช่วยทอกิจนะครับมีฐานไม้ฐานยางขุดเหอต้นเหมอันนี้นะก็ห้าครับคนมันปะละนะครับมัปะละคืออะไรก็คือคนที่เอ่อเกี่ยงเหมือนคนที่เป็นเหมือนอะไรใบไม้หรือครับาก็คือหน้าเยครับหน้าที่เดียวหวนแหลกหน้าเชื่อมเหมือนปะละนะผู้เกี่ยวยางใบไม้หรือเปะก็เียงที่จะหลนแล้วจะเหมือนัวนะครับ ก็คือนห่นะครับเตรียมจะัวแล้วนะถ่าเรียกว่านะครับคนคู่ชั่วกระดุกระด่าแก่คนคูแข่งบัมชานะยางอยู่ในิหารตลอดเวลาที่ยังตัเตียมาเล้ยีย ว, วนะครับแต่นี้ชั่วกระ่างนะนะแล้วก็ทำยังง่ายๆนะครัถ้าว่าพ่แม่ผมว่าเขาอะไรนะถ้ามันงานบิดาเป็อย่างเราไม่หวังอบแทนใจะไม่ทำให้ก็วควรว่าพเป็นพระราชาใช่ไหมค หรือว่าเป็นคนมีตังมีคนแรม้วนะเกิดป่วยขึ้นมาไม่ต้องการให้เราไป็นแรนะครับเพื่มแตัวเองได้นะนี้เราก็จะไป็ทํองเได้แต่ว่าถ้ า, ถา้งสองนะครับแม้จะมีเร้าเสียมีอะไรยามาแนะครับให้คนอ่ดูแลเาได้ใช่ไถ้าบอกว่าถึงขนามาแม้ท่านจะดงอย่ได้จะมบอกนะครับแต่ยังหวังการตอแทนอยู่นะหวังให้ลูกไปด้นานขาอยู่มันยากนะลูกต้องไปทนะครับ จะไม่เป็นธรรมไม่ขู่ไม่ได้ะไรน่นแต่พ่อแม่ทห้เป็นธรให้เงครับนี่เมื่อขั้งสองหวังเพยัควรให้เพนะัเออควรผึ้เหือใหญ่แล้วนั่ิประกอบยาให้สลายหาให้เองครับอันนี้อันนี้พ่อแม่ให้แล้วแล้ววัยรรากรของคนแล้เ้ทีท่านเออคนมานาบิดาอันนี้ก็ไม่ใหญ่นะคมานาบิดา ถ้าอกว่าชนเหล่าใดย่อบำรุงแล้วก็ปกครองมานานและดาที่สุควรทํามเทสัตย์แม้แต่ชนเหล่านั้นอย่างนั้นเหมือนกันความน้าเหมือนกันนะก็เป็นธรรมะอะไรก็ให้ได้เลยหรือไปหาให้ได้หาให้ประกอบยาให้หน้เลยนะแล้วก็วายร้ากษอนกลก็ได้แก่ผู้รับเอาค่าจ้านะครับผู้รับเอาค้าจ้าแล้วก็ทำฟืนในป่าหรือทางานงานอะไรอะไรอย่างอื่นนะ แต่ต้องเรากังมีเจตนาที <ate> ่มาถึงมาขึ้เหรือข้านะนี้บอกมีข้ามข้ามเรื่อยนะถ้ามมนมีข้ามข้ามไม่ว่ามันกลัวอะไรใช่ไหมน่าอยู่แล้วนครับขณะคนที่มีข้ามข้านะครับถ้าบอกว่าเมื่อเขาเกิดเป็นโลกขึ้นนะรับรีสุควรทำเทวะให้เขาให้ได้เลยนะจนกว่าพ่วงญาติพมเห็นนะครับก็ทำบมียาให้ได้จนกว่าญาติจะมาเห็นใ้่ไแล้วก็มาพูดแล้วก็ขอให้ญาตรา ตัวผู้ใดเป็นเพียงคนอาศัยพิสูจน์ทำงานทุกอย่างแห้เขามารับค่าจ้างนะมาสาศัยว่าอยู่นีเขาจะลบานนะมาขอใส่ว่าอยู่ช่วยทางานนะเนี่ยสูจคนความเปสัตว์ให้แขกคนนั้นหนึ่งก็ทำไม่ได้ดีอย่างเช่นไทยเมื่อก่อนทรอดใ้่ไนั่นนะไปช่วยทงานส์มาขออยู่ในว่าอยู่นี่นะเกิดป่วยขึ้นมาทำาำไม่ได้เลยนะไม่เป็นอาบัตให้ยาได้คยาไา่ได้ ถ้บอกว่าในบรรดุปรลราหนะในระระบรรดุปล่าห์ควรปฏิบัติไว้ในสัมมาในเนร์นะประคับประคองดูแลนะไ้นะครับในสมมาใเนร์ลุปล่าหพิเศษนะคือธรรมดาไบาตของข้าวนะครับโยนข้าวข้าวเนี่ยโยนถือว่าข้าวมีอาหารหรือมีบารใช่ไหมโยนเราก็ไม่โยนแล้วใ่มครับโยนรืกินข้าที่เหลือในบาตรข้าวได้นะไ่ดหครับเพราะว่า บริหารของสมณะของที่สูงนะตั้งใน่ารนั้นเป็นเจดีย์หงส์จะมาใช้ความหมายเนียเอาบาตรไลร้านของที่มีข้าวเหมือนใช่ไมบางที่เขาถือว่าเป็นมงคลเขาว่ากินข้าวข้าวจะเหลือแต่กินข้าในบาตข้าวเย่้นะครับเที่ยวไดที่ยวได้คราบก็เที่ยวในที่สำกัญก็ได้แต่ก็อยากินในบาตข้าวเลยไม่ได้ไม่ควรนะอยู่ข้าวที่เขาทำนั้นก็ไม่ได้แต่ถ้าอยู่ฝรั่งเป็นหน้านะได้นะ ถ้าเตรียมบุยแล้วแล้วมันอยู่วันแล้วกินข้าวในหมาข้าได้ไหมเืเลยไอ น, นี้พิเศษคนนี้ได้สิทนพวงแล้วพนันจะทายาให้งแลวยังมีสิทนพว่วงนะครับก็จะมียสิบเปอร์เซ็นต์ตก็คือถึงจควรทายาให้คนสิทนพ่วงของเราหนึ่งพี่ชายครับสองน้องชายสาที่หญิง น, นะครับสี่น้องหญิงนเะนี่ยจำนำพ่วงๆไหม พ่อไม้แม่แม่จอนี่เหะพี <Rapid infinite> <aría> ่ชายน้องชายพี tá, ่หญ <illing> <into s Elliott ills> ิน้องหญิงนะแล้วก็น้าหญิงป้าน้าแล้วก็ป้าน้าน้หญิงป้าแล้วก็อาชายเม่จอมก็แล้วอาชายลุงลุงนี่ไปข่าวพี่ชายอาชายลุงแล้วก็อาหญิง แม่าชายได้ก็ลวมสิบใช่ไหมสิบคนดีเราพี่ชายน้องชายพี่สาวน้องสาวสี่เทนะ่านั้นน้าหยีป้าเป็นหกเราอาชายลุงเป็นแปดเราอาหยีน้าชายสิบคนนี่ครับท่านบอกว่าก็เมื่อจะทําให้แก่ช่วยพี่ชายเป็นต้นนะั้นแม้ทั้งหมดเราควรเราเป็นสัตเป็นของของคนเหล่านะั้นัแหละปรุงให้อย่างเดียว คือพวกนี้เราจะให้ยาเข้าเลยไม่ได้นะนะครับเราเอาย้ายเข้าได้แต่เข้าอุปกรณ์ของแกงะครับเอาเครื่องยาอะไรของแกนะเรามาปรงให้มันบอกสูตรยาหรือปงให้ได้ครับแต่ต้องใช้ของเขาเองนะใช้ของของเราไม่ได้นะครับเราเราจะให้เ้าได้ดีกว่าถึงแม้เขาบอกว่าเขาไม่มีนะครับเราก็าให้ได้แต่ให้เป็นของขออยู่ครับแล้วบอกนี่เราออกไปต่อได้ยาเนี่ยแต่มาใี้ดีเมื่อครับ ก็ให้่าหอยว่าเราทำ่ารู้สูตรยาถงว่าทยาเป็นยาที่ครับเราก็บอกให้ยืนะครับหรือว่าถึงแม้เขาไม่ขอแต่ว่าเขาไม่มีจิงนะครับและเขาป่วยขึ้นมาเราก็ให้ได้ครับแต่บอกเขาว่าให้ยืนหรือแมจะไม่พูดเลยก็ได้หนะทำไมจะไม่ให้เนี่ยเป็นกาให้ยืนเข้าเาทำาย่งนี้ว่าถ้าเขามีแล้วเขาเดคืนมาให้เราใช่เขาคืนมาให้ก็ดีครับถ้าเขาไม่คืนให้ก็ไม่ต้องทวนนะ ผไม่ต้องดวครับดูเป็นญาที่น้องกันก็ือว่าเปเอาไปนะับไม่ต้องดูแต่นี้นะทีนี้ถ้าเว้นใจเนี่ยสิ่ะพวกเรานั้นเสียไม่ควรให้เกษตรชนรออยู่นะครับเว้นที่ว่านี้ไม่ได้นะครับแต่ลูกหน้าจะมีอีกห้าเป็นพวกนี้นะที่มีอีไ่ชท่านก็จะพูดถึงดีกนะก็เมื่อพ่สูจน์ใช้ให้ญาตินะครับญาติเราเลย เราจะตูปัจจัยปัจจัยทั้งสี่นะครับมาต่อเข้าจนถึงเจ็ดชั่วโคตรคุณอันนี้คุณในการขอนะขอปัจจัยสี่เลยนะกับญาณเนี่ยเอายากเจชั่วเลยนะขอได้เลยนะพอใดคนหนึ่งไม่ไปรางวัลนะครับแต่ว่าจะยากหรือเปล่าในเรื่องนี่านี่ยถ้าบอกว่าโดยสึกกันมาแห่งบุญแลโดยสึกกันมาแบบแห่งบุญของญาณสก่พ มีพี่ชายเป็นข้องหลังนั้นไม่เป็นการทำย่าได้ไหมครับไม่เป็นธรรมบันะเมื่อทมเพศทำยาแตกห้องนะครับก็นเป็นไป่ใช่มนะและไม่เป็นอ่ะหรือไม่เป็นธรรมบัญเข้ามาทุษร้ายกับกูไม่ป็นเรากแต่ว่าถ้าเป็นพี่เผยน้องเผยพี่สะพ้ายน้องสะพ้ายอย่างนี้ไม่ได้เหรอเนะ่ไม่ใช่ญาขเราใช่ไมครับนอกจาว่าเขาเกิดเป็นญาเราด้วยแล้วในเชื้อสายก็ได้แต่ถ้าเขาไม่ใช่ญาเรานี้ไม่ได้เหรอ เราก็ให้แก่ญาตเราหน่อยนะครับเราให้เข้าไปให้เองนะถึงว่าอะไรที่เคยเราปวดใช่ไหมเราให้พี่สาวนะครับให้เข้าไปให้แรงเองนะอืออีธนดีอีพี่พยามเป็นรักษามีแล้ครับครับพี่ท่านเองก็ไม่ได้ปวดนะท่านพูดอย่างนี้เพาะว่าพูดยังไงนะบอกว่านะครับเอ่อถ้าเขาไม่ใช่ญาต คุณได้แก่พี่ชายและพี่สาวรู้สั่ว่าจองให้ในที่ปฏิบัติของพวกท่านใช้คเคได้หรือคงจะได้ถ้าต้องอ่อกย้าไปใช่ไหมเอาไปไหมะอาไปดูอะไรเนียเอาไปให้ผลที่ดูแลนะครับตรงนี้นะอันนี้ต้องยิครับต่อไปคนท่านสองพวกนะบงทีได้ยี่สิบ้าครับอันนี้มีห้านี่มัมียี่ส้านะครับ ที girl. Girl humor. Girl humor. ่สุดคนทำยามให้แก่คนท่ปนพู้ก็คือหนึ่งนะรัที่เป็นไม่ได้ผลหนึ่งนะครับคนจองมาคนตอนมาเนื่องจากทุกการคนตองมายืนยาวาจากไหนก็ไม่ม่อถึงว่าของสนาไทยนะครับแล้วก็ปวยขึ้นมาครานั้นเลยนะหรือว่าโยมมาถอดมาทานนั้นเกิดปวยขึ้นมาครับเพราะคนตองมานะเขามอยู่ประจําขามาอยู่ประจที่ว่าคนจองมานะเกิดปวยหรือว่าโดนมาถ่ีต้ จาให้ได right? ้คงยาให้ได้นะครับแล้วก็มียาเหมือยาสายแดวใช่ไหมก็ให้คุกฝให่ได้เนี่ยนะแล้วก็โจนะครับโจนี่ให้ได้นะโจก็ให้ได้นะครับมาที่ข้อดีเป็นแผลว่าที่อยู่กลางห่าใช่ไหมอยู่ด้าต้แขลพวกคอินิดนะครับอันนั้นถ้าไม่ให้ยาไม่ยาการตั้าขึ้นหรือข้อเจ็ข้าวนะครับเพราะฉะนั้นโจเราก็ให้ได้นะครับถ้าต้องมีการเลาเรื่องข้า ที่พราเถระปฏิบัติมหาพุ่โตใช่ไหมตอนแรกพุ่พโนโตแต่กลัามาพ้่นวัดเลยมองของไปเลยนะคนก็มาสงสารนะครับว่าถ้รัคนรู้ปากก็เลยบอกยอมนะคนวัดนะไปตักเตรียมนะเข้าป่าหาเลี้ยงหรือว่ารับพุพ่พโนโตเป็นอย่างดีเนาะพอพุ่นโตมาเสกเนี่ยขเขาก็ใช้ชกินข้าวทุ่งาใช่ไหมที น, นี้ไม่ไม่พ้่งในตับใจนะครับทราบซึ้งในตะับใจของพระเถระพระฤาษีนนะ เมือว่าว่าเราหามาป้านบ้านเราแต่บ้านเนี่ยงานที่สุดเนี่ยกามา้อนรคพูเลยังมีอยู่นครับก็ไม่ต้อนรับเราเกเป็นโจตอนนันเลยน่าสงสารเรเริมเป็นโจเลยและก็มาชื่อประทะดแหลมากครับนี่เนมเพราะนักการปิบัติสงมีงานสเคหนะครับเพราะนักไทยมาเนี่ก็รู้จักปดิบัติสแล้วกันนะครับเป็นฆ่าเป็นโจนะครับฆาคำเนี่ยเนี่ย บางคนเขาไม่เข้าใจกลัวจะเป็นอะไรกลัวจะกระจกกลัวจะประจกอย่าเดียวเพไม่กระจกมันเ้ามือกองครับบางอย่างไม่ได้มปการกระจกเป็นการตั้งรับที่ควรทำครับเป็นข้าวไี่ยิ้มข้าวแล้วต้องทําเลยการสึกษาวัดนี่ครับก็เป็นโยมเหมือนกันนะทักทาที่เหมือนกันดีโยมไปไหนอะไรอยงนี้นะครับอี่ฉีดแล้วก็ดูกันได้เลยครับดูฟาของสมได้ของสม ไม่ได้หรือเขเนี่ยยุ่งภากาไทยมาคนนี้แล้วก็อยู่ในที่อย่างนั้ก็ให้ดูพฤติกรรมความเหมนะส็นะแล้วก็น่ารบแพ้เขานลารบแพ้สมัยก่อนเขาสู้โรคการใช่ไหลร่างโรนีกรามาทีมีกรรมังที่ว่างเขาเจ็บปวดมีบาดแผลนะก็ทำยาให้พรุ่งนี้ถ้าไม่ทำยาให้่ันกระน่กันนะเกิดต้องหายดูแลเพื่อนเขา เขาเป็นนักรคอาจจะมีอำนาจเป็นทารมีอำนาจนะพอรู้ว่าตอนนั้นนะเคยไปโรแพ้แล้วก็ไปอยู่ที่บ้านที่เราข้าไมเห็นอรเลยนพอผงก้นผกอนอะไรนะพอตอนหลังเขามีการมาทำไมเขามาทำทนายนะเรยกคนทำให้นะแล้วก็คู่เป็นใหญ่นะอ๋อคนนี้ข้อเลยกกันนักรบแพ้คู่เป็นใหญ่ขอเล็กข้อเล็กนะครับนักโรคแพ้เป็นหญ ก็คือพวกออมมาพรราชาอะไี่เป็นอย่างอันต่างเราแท้มาก็มาใส่เรายาไห้ได้นะครับแล้วก็ทำหนุนความสั่ีคนที่พวกยากิายนะคนที่พวกยากิสานะมันว่าอย่างคนที่ยากพี่น้องที่แย่เหมืัเป็นคนอันตายอะไรพึ่งๆหน้าไหนแ่ก็ไม่รู้จะไปที่ไหนก็เลยเข้ามาที่ว่านี่อันนี้ก็ทำยาให้ได้นะเรบ และคนที่เตียงเดือไปทุกคบคนที่เตียงเดือไปเตียงเดืนนันท์นะบางทีทก็ไม่ได้เตียงอะไรไมันไม่อยู่ไหมครับก็เกิดปวดขึ้นมในี่ว่าสัญญาณนม่นได้ครับไม่อย่างนั้นถ้าบอกว่านะครับคนเหล่านี้นันเป็นไข้แล้วเข้าไปสูงิ่หาคือมาที่ว่า น, น, นะที่สู่ไม่หวังตอบแทนนะครับคุณรักษาด้วยฉีดบริสุทธิ์นะไม่ได้ที่จะระอบหวังถึงตอบแทนทรับ ไมหังเลยนะอันนี้ควรทำเพศให้เราแก่คนทั้งหมนั้นเขาไม่ได้เลยด้วยจิตบริสุทธิ์ด้หวังอะไรนะแต่ตรงนี้มีการึ้นมาว่าค่าหวังผลตอบแทนแก่สงห้าเน่นะว่าต่อไปเนี่ยสงบปิดูก้วนะมีคนช่วยีใครดูแลช่วประหารมีเ้าหวงการตอบแทนเ่สง่า็นะแต่หวงผลตอแทนเสตัวไม่้จมีการขึ้นมาดด แต่ถ้าเอไว้จากคนเหล่านี้นะขังเราท่ว่าทั้งหมดแล้วนะพ่อจะไม่น่าสงสารก็ไม่นาีแม้แต่จะเป็นเราโยงปะหานะตระกูลที่มีสัตย์ให้ดีนะเราคุณธรรมลุงพระสงฆ์ี่ปั่นีส่นะมันก็เป็นพ่อเป็นแม่ของสงเลยครัรขนาดนัน้นเลยเจ้าป่วยเป็นไข้ึ้นมานะถ้าสนสงฆ์ยังยาให้ไม่ได้นะครับถ้ามันอยู่ในยี่สิห้าตะโกงเกี่ยนนะจะทำาใ้ไม่ได้นี่ระสงฆ ที่เขาประถามรลุขั้ไม่เกี่ยวนะไม่เกี่ยวว่าเราต้องท่องให้เขาเกี่ยวเขาต้องมีอีกอย่นะถึงว่าถ้าเรต้องการท่อย้ายเขาคนพวกนี้ด้วยเรามันจาเป็นจะต้องให้แม้แต่อิสระจะเป็นพวกกรแลงนะถ้าแย่ที่เกี่ยวกับว่าถ้าเราเชื่อคนให้จรแจเาบริสุทธิ์นะเราทำอย่างนี้เราใช้งานเขาบอกใช้ได้ความำและให้เราทำตลอดเลยเราและให้รับ แต่เขาไม่ได้ตกรนานนะไม่ไม่ไม่เกี่ยวใช้งานไม่ไม่ได้ขอของรับใช้งานได้ไม่ขอไม่ทางานใม่งานได้หยิบนั่หยิบนี่อะไรนะใช่ใช่การหยิบั่งบนี่ของเการที้น้อยเขาทำงานอย่างนี้นหละคือว่าเขาให้เข้าเป็นมาหยาดของเราเป็นคนที่ไวขึ้นเราเราแล้วนะตอนนี้เรยก็ถือว่าให้ได้แล้ครับนี่เป็นวิจัยแนะนำมาอย่างนี้ครับนี้ท่านก็บอกว่าเนี่ยคนที่มีปัญหาปัจจุบันะครับ ท่านบอกว่าท่าคนเหล่านั้นใน้ด็กคุณของเขามีใครบางคนเกิดปวยนะครับท่ขอเพื่อจะพูดเป็นคุาท่านพระาชาขอพระองคท่านทำเทนสให้ด้วยความวิสัยสาเสอิญเข้ามาของนะช่วยทำเ็นสัตํายานห้ด้วยนะครับเพื่อสายความวิสัยคุ้นเคยนะนะจำพี่ช่ายทนยาให้หน่อยก็ไม่ควรให้นะครับทั้งไม่ควรควาให้หน่ยไมน่าหนักหนาแน่นครับก็ถ้าพวกเขารู้สิ่งที่ควรครับเรียกหาอย่างนี้ว่าท่านพระ เขาตุ้มเพสะอะไรแกโรคทนู้เนี่ยถ้าเราถามอย่างนี้นะเนี่ยเขาตุ้มเพสาอะไรแก่โรคทนู้มันก็ว่านะคนนี่ป่วยโรนี้โกนี้ใช่หรือโรคนั้นเราเขาใช้ตรงยาอะไรกิยากินยาแพทย์จันนะเมื่อเกิาถามีปุ้มยาท่านบอกว่าหัวียาต้มีอาจารย์อสมาโน้แล้วอตมาทาให้อย่างนี้หรอพอเราไปถาให้ที่เขาไม่ห่อเฉยที่ตุ้จะตอบว่า เขาเอาสิ่งนี้และสิ่งนี้ความเท็สาหางนี้ก็ะวรเราไม่ทําให้ใงใจมันแค่บอกตูบอกมีทำว่าการเงินตัวเลื่อนตัวเลื่อนเป็นตัวปรนงแล้วก็ทงยางนีรักษาระที่นี้ได้นะครับตอนนี้เขาไม่ได้ออกชื่อคนแลนะเขาไม่มีการระบุตัวบุคคลแล้วนะครับบอกแต่ว่ารอบนก้นั้นรอบขึ้นนี้ที่เกิดขึ้นเมนันใช้ยาอะไรปรุงใ้ยาย่างๆนะเขาบอกไม่ดีโกงานะ ระบกที้ยาบอกอะไร cat, ได้เ้าทาให้ได้เนี่ยถ้าพิสูจน์ขึ้นหรืหาเี่ Circle, ยมถามอย่างนี้ว่าถ้าพขะเลิมาดองผมเป็นไข้ اء, ขอได้โปรดบอกเภสัชด้วยเถิดนะครับขอให้บอกยาด้วเถิดนะครับอันนี้ไ่ได้ทำไไม่ได้จาลักษณะเลยครับถ้ามีการหนุนโกงคนจะไม่ได้บอกว่าแม่ผมป่วยพ่อผมป่วยช่วยบอกเพสาชให้ผม้วย มีการหลุดตัวบคนลแล้วนะเมื่อะกี้ไม่เด้หลุดตัวบุคคลนะครับผมว่าอย่างเนี้เข้ารักษา้วยยาอะไรเขาใช้ยาอะไรคุมรักษานี่ยนาจำเป็นหนักเลยถ้ามีการหลุดตัวบุคคลจะไม่ได้นะครับนางนี้ไม่นคนหมอบนะครับแต่จะทำยังไงก็มีวิธีที่บวกหมอบอ้องค้อนะแต่ควรสนทนาด้วยถ้อยคํานะครับการกัรแลกการข้อควาสนทนาตามเพื่อนกันเนี่ยสนทนาเรื่องอะไรสุญญาณนะครับ ว่าอังโตในรองพิ้นนี้ของพิจถึงชืช่อน้องเขาปรุงเพลสัอะไรแกล้งหน่อยพิจิตเท่าไหรเรียน่ากเขาสิ่งนี้แนระื่อนี้ปุงเพศสัครับฝ่ายชาวบ า, านความําสนทนาได้ไหมอ่ะย่อมปุงเพศงสักแต่มานั่นเนี่นแล้วก็ทำเป็นสนทานานการเท่นนานัพูดคุยนะรเรื่องสื่อารให้ยินเลฟังเขาไปทาเองนะถ้าตอบมาเรื่องเกส่ยวกับปารีสนะครับ เรื่อ <ENNIS S 1> ง, ง, งข้าวปริ๊นะครับก็บอกว่าที่สูงนะถ้ามีชาวบ้านมาอาแนนเาว่าโปรดทํา้าปริ๊นแก่คนไข้เธิดครันี่ยาของชื่อคนนยครับบอกว่าทาด้วยนะทำข้าปริ๊นแกคนไข้เถิดครับนี้ไม่ควรทานะครับทําี่ไม่ได้เหอถ้าทาให้ถ่าบอกว่ามันจะเหมือนกับเป็นการทายาให้เขาเหมือนมันจะคล้ายๆอย่างนี้นะรไม่เหมือนกันไม่คล้ายๆอย่างนี้ มันก็เป็นการจะรับใช้แต่อะไรเขาใช่ไหมนี่แหละก็ไม่ต้องบอกว่าหมอทกว่าทำแต่ถ้าบอกว่าสวดนะนี่ม่อนสวดเพราะกระลิ้นหน้าเเราแต่นี่บอกว่าทำให้เลยมันก็เหมือนกันเราก็ไปทําอะไรถ้าอยากให้ทข้าใช่ไหมก็เลยไปเข้าเหมือนกับสัญญาแค่เห็นเราอันนี้บอกไม่ควรทํานะแต่เมื่อเข้ารัชนาว่าโปรดสวดเถิดควรทํำนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นการรักชนาเหมือนกับการรัชนแสดงทํารำ ข่อธรรมดา น, าน่คาคนรที่จะแสดงความนะใชะแม้ของอภลัตนาก็จะสดงนะครับกพอ น, นั้นเมื่อเขาบอกว่าโปรตรวจเธอเนี่ยง่ายหรือเปล่าในตรวจที่ง่าเลยในตรวจทำนะนะถ้าไม้พิสูจน์แล้วมีความหนีว่าธรรมด า, น, านี้ถึหไหนย่อมไม่รู้ครับเมื่อเราไม่ทำจะเป็นคู่เดือดร้อนอางนี้ก็ควรทำนะครับอันนี้ก็ได้นะคือในกรณีนี้นะครับเพราะว่าคือเข้ามาอภิร น, น, น์แบไม่ถูกตอนแรกทำข้อประลิบแทน แต่เขาไม่ร so ู้เรื่องจริงนะครับท้าที่ไหนนี้นะว่าไหนธรรมนาชามบ้านชาซ่อกเขาไม่รู้เรื่องวินัยใช่มถ้าเราไม่ทำให้ข้าวจะหมางอย่างนีนะนี้ก็ทาไม่ได้ถึงนี่นะอันนี้เดี๋ยวให้สวดพรปะลิบนะครับต่อไปถ้าว่าชาว้านรัษธรรมนาว่าตัดคนะพรปะลิบนะครับเส้นหน้าพระประลิบเถิดดังนี้นะไม่ยากหีือ่าไคก็ไม่งไม่ได้หรอกนะ ทำนะไม่ได้ทนสมัยไม่มีการสวดอะไรนะทำหน้า่นี้อแต่ว่าควรใช้ของแก่หมดเลยของแก่มเลยวิธีทำนั้นพระลิของท่านไม่ได้สวดนะควรเอามือของตอนกวนนะครับเอาไม้โยจมมือมาเลยจมมือเไ ย, เยกวนเลยนี่ใหญ่ใะ่ข้าวเหงอกะไรนครับเอาไม้โยมาต่มาเนี้ยจช่วยกวรนะต้องบอกว่าควรเอามือของตอนกวนนนะครับ รูดความเส้นหน้าของรูปเหล่านั้นแหลให้ไปครับแต่ต้อของเขาทั้งหมดนะเอาของเราไม่ได้นะครับข้าวของของเราก็เป็นการประสบเพื่มขึ้นหรือเ่าก็อย่าดราม่าทุกคนนะครับนี่อวิธีข้าหมอกว่าที่บอกว่าอให้เอามือไปควนนะหรือว่ารูดเส้นหน้านะด้วยตั้งจิต่างนี้นะครับว่าเราใช้อันเห่าเข้าลิ้นนะแผ่ลงไปในหน้าเนียเส้นหน้าครับตงว่าภาษาอนี้ ก็ไม่ได้บอกเลยกัวน้วนนเลยกลวน้แต่ของเราเนี่ยต้องเด็ช่วยทำก็น้ำก็ผลิเนี่ยัขา้เราสูตรผลิ ด, ด้วยช่ไ ห, ไหมเขา้ามีมนของใรถ้าเขาไม่รู้นะเขาพูดไม่ถูกนะเราแ น, นะ่นได้ครับแนะนาตอนนั้นเลยนะถึงว่ามีโยมนีมม า, า, ปปาปปนะกนานเนี่ยถ้าที่ช่วยเำ้ำทำผริหน่อยช่วยทำผลรที่หน่อยนี่นะเรวก็บอกโยมย่าพูดอย่ไปกลันะ หรือถ้าทําให้ยกไมหน้าก็คือข้อที่ไหนยังก็ต้องรับคะแนนว่าช่วยสวไรนะข้อตอรนี้ดูหม่อนมึบทำ้างสุดๆทำไม่ได้ยันไม่ได้เราก็ได้นําเข้าไปที่พิกเรื่องอะไรเรื่องอนามัทธันบินสบาลครับบินสบายที่เรานั้ไม่ได้แต่งต้งนะึ้นต่อใตัินสบายใหไหๆมีโยมาขอหาข้าวทานนี้เนี่ยจะหยิบไปในหมาให้เลยยังไม่ได้ครับอนามัทธันบินบายไม่ช่วยอนามัทันบินบา เนี้นะไไม่ได้แตกต้องของเถ้าเราจะให้เราก็มีการแบ่งออามาขอนะแบ่งออาขอและก็ไม่ควรให้ทุกคนได้นะอย่าดูความรู้มาให้เรถ้าบอกว่าอาจารมาถามีสมายควรให้แก่ใครไม่ควรให้แก่ใครแก้ว่าควรให้แก่มานเรื่บิดามอรพ่อแม่มีปัญหาใตลอดงเราทำยังให้ก็น้าให้อาหารดีสมานี่ยตอนี้ไม่ได้แต้องเลยก็น่าของเรบ ถาพ่อแม่แผนมีระบาดมีราษทรงตั้งกระฐานปณะนะเป็นร้อยเปลนพันที่แบบหรือว่าเป็นเป็นร้อยเป็นพันก็แล้วแต่นะก็ไม้ได้นะครับไม่ใช่ว่าเป็นการยังสัมภาษณ์ใครให้ตกเลยเพราะว่าค่อยๆแม่รอนะในก็ไม่กิดใมก็ไม่มีการยอมสัมภาษณ์ให้ตกนะคควรทำให้แม่ของเราดีควรให้นะแม่ขอเราดีนะครับบางทีพ่อแม่ได้สองนะนะมันก็เหมือนเดิมที่สามมาคนมาลมาลางบิดา คนรามีมาดาดีนา น, า น, า น, 4, คนาะครับอั น, นทีน่สี่เข้ามาย่ากกรอันที่ห้าเขามาปลาลาก็จึงหือกับเรื่องเพศสหมวดห น, าน้า่อแรกนะพ่อแม่คนาพ่อแม่อยเกรกและุคปลาลเหมือนกันทีนี้นะ่บอกว่าอย่างเมื่อกี้นะถ้าดุปาลานะครับใส่ในภาชนะให้ก็ควรครับใช้ในบ า, ากินในบ้านด้เลยได้นะ แต่ถ e ัาคนอื่นจะให้จินในหมากข่านี้ไม่ได้นะครับก็ใส่ภาชนะหรือห้่ไปนะแล้วะถึงพ่อไปแม่เรานะครับและจกินอาหาในหมาคข้าวนุ่นี้ไม่ได้นะครับเพราะว่าเครื่องบริโภคของสมาชิดตั้งอยู่ในฐานะเป็นเจดีย์ของพวกข้าศ์นะครับอีกอย่างชั่วนามาตฐานิัฐบาลนี้พึงให้แก่โตนพวกหนูชื่อบ้านรพวกตนไม่ได้แล้วพวกนี้ก็ไม่ได้เลยพว่ามัมาทาลายเราได้ ถ้าบอบางเหียบข้าหน่อยสามมันจะมาหาไม่ได้นะจะมาหาไม่ได้แล้วก็เปเคลนดอยางนี้มันก็เทนคแต่เขาเก่งไว้เพื่อว่าจะให้พวกตัวพวกนี้นะถึงแม้เราไปอยู <c <c ่ในวัดที่ว่ามันเรียกวัดป่าแวใกล้เขตคอมมินิสต์อย่างนี้นะหรือว่าไม่อยู่ใกล้พวกคอมมินิสต์ก็แลแต่แต่เราก็เก็บเผื่อไว้นะเผื่อว่าจะมีโยมหรือใครที่ไหนมาขอเชิญเราเข้ามาพูกป้ามาขอหาเลยนะ วันข้าเขาไม่ได้กินม่นด้อะไรจากเราเขาจะตออเราเี่ยงไม่ได้ลนะก็เพื่อว่าเป็นเงินเนการขึ้นมาครับเพให้นี้ไม่เปละหมดนะใครมีเรื่องจริงจครับเชดสบู่ว่างนะแถวที่อยู่ใต้เขตคอมมนิตนะหลงพ่อ่นสังข้าวเดี๋ยวก็ไม่เชียวว่านะครับว่าได้เจอพวกนี้มานะข้าวข้าเงินอาหารอาหารอาหารให่กะครับอย่ากระดิเสอะไรข้าได้ชื่อหรือข้าเหนื่อยาจนขนาดพวกคนมีนิมพคนเริ่สายสัมพั เข้ามาบวชอะไรนะเข้ามาบวชเป็นอูกศิษย์อะไรนะครับนี่นะมันแหลกวันนั้เป็นสันหายมีของเยอะนะแล้วไก่ชนชลอยทุกเป็นอย่างนี้เนี่ยผู้มาถึงเข้าก็ได้นะค้ับทาบอกว่าข้อเหตุอะไรก็อเหตุว่าชนหล่านะแม้มือไม่ให้ข้อโกรธนะข้อโถงนะว่าไม่ให้แม้มือจับต้องให้ข้อโกรธว่าให้ของเป็นเอ่เราจะแบกเอาขอให้ก็ไม่ได้นี่มเดี๋ยวหาเราให้ของเป็นเ่เนไครับ เขาต้องให้ข้ามเนะี่ยะหที่ยังไม่ได้แบ่งาหน้า้เลยครับเขาบอกว่าโหลานั้นโผลแล้วยกโลงาจากชีวิตเสียบ้านเลยนะครับตรนี่นละ้วข้ามได้เลครับย่อมทำลายแต่ข้ามาาสนาหน้ยิ่งเป็นอย่างโตรช่ไหมเห็นวา่าข้ามัชื่ดีหรือม่นี้ว่าคำออนันใดว่าศาสนาได้ท่าก็ยกขึ้นว่าข้ อ, น, น, อ น, นี้คือแสดงเรื่องพระเจา้าโซลาร์น้นผู้กัญญนา่าจะสมบัติจงครับถ้าไม่ได้้าที่ยังไม่ได้เ